วางทุกสิ่งทุกอย่างหยุดคิดหยุดปุง่งหยุดแตกแล้วก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆให้ัรวท้องแล้สองสามเที่ยวสัมผัสของลมหายใจที่วิงว่งเข้าวิ่งออกก็ทบปลายจมูกเราก็จะเด่นชัดแล้วก็ผ่อนลมหายใจให้เป็นปกติธรรมดาให้เราพยายามสร้างความมุ่งนตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่นิวรณ์ธรรมต่างๆสติของเราก็ทั้งมันขึ้น ความเจ็บคลานกคลายไปจิตของเราเกิดความกังวลเราก็ใช้สมร t h เข้าไปดับอยู่กับลมหายใจนี่แหละเขเรียกว่าสมร tha ภาวนาความระลึกรู้ตัวของเรามีมากก็จะรู้กายเราก็รู้จิตรู้ความปกติของจิตรู้ความคิดที่จะพุ่ขึ้นมาปรุงแต่งจิตว่าเขาเกิดอย่างไรจิตของเราเข้าไปร่วมได้อย่างไรตรงนี้แหละสัมคัญถ้าเรายังแยกไม่ได้เนี่ยโมหะอย่างลุ่มลึกเลยทีเดียว จิตของเราเขาไปหลงเขาไปรวมกับความคิดทําให้เกิดอัตตาตัวตนกายก็เลยหนักจิตก็เลยหนักอัตตาตัวตนก็คือกายเนื้อของเราแล้วก็ถ้าเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็วางอัตตาตัวตนไม่ได้พยายามหัดวิเคราะห์หัดทังเกตทุกคนก็อาจจะมีการควบคุมจิตได้ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ได้แต่ยังขาดการแยกจิตออกจากความคิดให้รับรู้ สติตามทำความเข้าใจกับความคิดให้ละเอียดเราก็จะเข้าใจในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของขันธะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องอะไรที่มันเกิดเป็นเรื่องอดีตก็เป็นของของสัญญาบางทีก็เป็นเรื่องสารพัดเรื่องบางทีก็เป็นกุศล บ, บ้างอกุศลบ้างที่มันเกิดจิตของเราเข้าไปรวมจนเป็นตัวเดียวกันแนบแน่นเลยทีเดียว ถ้า ก, กำลังสติกำลังความเพียรของเราไม่มีเพียงพอในยากจริงๆตรงนี้ส่วนมากก็อยู่ในกองบุญฝักใยในบนุญความเคยจินของจิตที่ส่งออกไปภายนอกส่งออกไปข้างนอกเราก็คิดเดก๋ยวก็ปง่งเดี๋ยวก็แต่งเกิดจากจิตส่งออกไปข้างนอกนี่ก็ส่วนหนึ่งบางทีก็เกิดจากขันห้าพุทขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราก็เข้าไปรวมเป็นสองส่วนแล้วรวมกันเป็นอีกตัวหนึ่งไปด้วยกัน บางทีก็ทั้งปัญญาทั้งสติทั้งปัญญาก็รวมกันไปพอเราขาดการจําแนกแยกแก่งเราก็เลยไม่รู้ถ้าเรามาสร้างความรู้ตัวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาส่วนความคิดกับจิตนั้นเขาเกิดเกิดรรับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ถ้าเราสังเกตจนกว่าเห็นเขาเข้าไปรวมกันเขาจะแยกออกแยกกันเราก็เห็นเป็นสามส่วนความประลึกรู้ตัวส่วนหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาความว่างนั้นคือตัวจิตเปส่วนหนึ่ง ส่วนอาการของความคิดที่มันเกิดเกิดดแบบมันก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละให้เราตามดูถ้าเราแยกได้ตามดูความคิดเกิดเกิดดับๆับเาเรียกว่าหลบรู้ในกองสังขารหลบรู้ในอาการนองขันห้าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวลาดับไปอนัตตาความบ้างปลาก็เข้ามาปรากฏเรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกหมุนปรุงแต่งจิตของเราอยู่อย่างนี้แหละเราเข้าไปหลงเข้าไปร่วมทําให้เกิดอัตตาตัวตนเป็นฆาตอง ขันห้าเป็นธาตุของกองกิ เ, กเลสถ้าเราแยกขันห้าได้ก็ตามธรรมความเข้าใจวิบากกรรมเก่าหรือว่าอาการขอันห้าก็จะหมดสภาพที่จะมาหมุนปุงแต่งจิตของเราได้อีกเหมือนเราก็ตัดบงกลมมันหมุนต่อไปไม่ได้ถ้าเราแยกได้เฉยๆเราไม่ตามธรรมความเข้าใจเราไม่ละมันก็เหมือนดึงถ้าเราแยกได้ตามธรรมความเข้าใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงเราค่อยละแล้วก็มาละกิเลสที่จิตมาดับความเกิดที่จิต จิตก็จะเกิดน้อยหลงน้อยหลงน้อยหลงแต่คนส่วนมากไม่ค่อยจะดับไม่รู้ความจริงมีตั้งแต่ไปคิดเสวงหาแม้แต่สแสวงหาธรรมก็เหมือนกันเสแวงหาด้วยความอยากที่เกิดจากกูจิตเราให้สแสวงหาด้วยสติด้วยปัญญาให้รู้เห็นรู้แจง้งเห็นจริงจริงแล้วก็ค่อยละค่อยดับถึงเราละไม่ได้แยกไม่ได้ก็ให้จิตของเราโนอ้มอยู่ในกลองบุญกลองกุศลเอาไว้แล้วก็รู้จัก สร้าง บ, บะบารามีให้กับตัวเองอตลอดเวลาทำบุญให้กับตัวเราตลอดเวลาศรัทธาของเราเชื่อมั่นในคุณพระธนตัยเชื่อมั่นในคำทางสอนของพริจาแล้วก็ปรพกพิปฏิบัติลงไปเรามีความโลภเราก็พยายามละความโลภเรามีความตานันนีเน่ยแน่นเอาก็พยายามละความตานันนีเนี่ยแน่นเรามีความโกรธเราก็พยายามให้อภัยทานอโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาเรามีความเจ็ดพลาดเราก็ขยันมันเพียรให้มากๆ อย่าไปเจ็ดครานเราต้องพยายามเพิ่มชวนทางกับกองกิเอ็ดเลทีเดียวถึงจะถึงจุดหมายปลายทางได้ถึงไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็พยายามเดิอนอย่าพากันเจ็ดครานพยายามทําสมมุติของเราให้ดีฝาละหน้าที่สมมุติอะไรที่เรายังขาดตกบกพร่องเราก็พยายามให้ดีเพราะปากท้องของทุกคนก็ยังอาศัยปัจเสธสีอยู่เราก็ต้องทําความเข้าใจกับปัิเสธสีทาความเข้าใจกับโลกกระทปรากยศสรรเสริญสุขทุกนิทาน ทำความเข้าใจกับทาวานทั้งหกองเราซึ่งเป็นทางผ่านของรูปรสกลิ่นเสียงที่เข้าไปถึงดวงจิตของเราเวลาตากระทบรูปปุ๊บจิตของเราเกิดความยินดีไม่ยินร้ายไหมเห็นรูปสวยๆแล้วกเกิดความอยากได้หรือไม่นี่เขาเรียกว่าสัมผัสปัสจัที่ส่งเข้าไปทางทาวานทั้งหกองเราเรามีสติคอยรู้จิตของเราเราก็จะคอยตรวจสอบจิตของเราตลอดเวลาแต่เปล่าเลยตั้งแต่เช้าขึ้นมา เราไม่ได้เจริญสติเลยเราจะไปรู้เท่าทันจิตได้อย่างไรจิตของเราส่งออกไปข้างนอกสักกี่เรื่องเราก็ไม่รู้ความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราสักกี่อย่างก็ไม่รู้สติระลึกรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรเราอาจจะมีอยู่อาจจะเป็นกระท่อนกระแท่นบางทีก็เล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ทำให้ต่อเนื่องมันก็เลยไม่รู้ตรงนี้ ถ้าเราฝึกผลให้โตเนื่องกันจริงๆแล้วใหม่ๆเนี่อาจจะอึดอัดบ้างเพราะว่าจิตเขาเคยไปแบบโลกโกกแบบธรรมชาติถ้าเราไม่ให้เขาไปเราก็อาจจะอึดอัดแล้ววิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่ในกายของเรานี่เลยพอฝึกไปฝึกมามก็จะช้าลงช้าลงก็จะเชื่องขึ้นเชื่องขึ้ น, นเหมือนกับการฝึกลิงฝึกหมาพยศนั่นแหละหมาพยศใหม่ๆมันก็ฝึกยากฝึกไปฝึกมามันก็เชื่องคนก็ เอามาใช้การใช้งานได้เราก็ปล่อยได้จิตของเราก็เหมือนกันฝึกไปฝึกมาฝึกไปฝึกมาเขาก็นิ่งเขาก็รู้ความจริงเขาก็ไม่เอาหลอกการเกิดเป็นทุกขเขาก็ไม่เอาเป็นธาตุของกิเลสมันเป็นทุกขเขาก็ไม่เกิดเขาก็จะเป็นแค่เพียงผู้รับรู้อะไรผิดอะไรถูกส ต, ติปัญญาเขา้าไปแก้ไขทําหน้าที่แทนอันนี้สําหรับบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆสําหรับคนทั่วไปของเรานี่ก็อยังอยู่ในกองบุญกองคุณ ให้จเจริญสติให้ต่อเนื่องได้สักเล็กสักน้อยก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำให้มีความขายันมันเปลี่ยนมีความเฉสละไม่เห็นเกตวมีความเฉสละอยู่ตลอดเวลาไม่เห็นเกตวต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นพื้นฐานในการปล่อยในการวางวางให้เป็นทําให้เป็นมีให้เป็นเอาให้เป็นทำาดยสติทําดยปัญญาจะมีมากมีน้อยเอามากเอาน้อย ก็ทำด้วยเพื่ อ, อยังประโยชน์ให้สมมุติให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาญาติโยมท่านใดอยากจะมาพักพ่อนมาฝึกที่วัดพ่อข้อเชิญไดเลยปีหน้าอีกสักปีหรือสองปีที่วัดเรานี้จะบริบูรณ์เต็มที่เพราะว่าข้างล่างริมขอบบอกหลวงพ่อโกอ้ให้ญาติ่ายญาโยมได้ทํำสลาที่พักอาศัยของญาติโยมอยู่ก็ทําเผื่อญาติโยมเพื่อทุกคนนั่นแหละทําเผื่อสม ม, มตุติเพื่ออย่างสมมุติ ให้เกิดประโยชน์อยากโยมท่านใดเข้ามาวัดก็จะได้มีที่พักที่อาศัยหน้าอยู่หน้าอาศัยหน้ารื่นรมอไปพักที่ขอบโบจิตใจก็จะได้เดบิกบานเห็นป่าเยอะๆให้อาหารปลาที่ขอบโบกําลังจะทําศาลาอยู่สาลาสองหลังก็ใหญ่อยู่เหมือนกันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันจะได้เป็นที่พักที่อาศัยของทุกคนไม่ใช่ว่าทําให้คนใดคนหนึ่งทําเพื่อสมมุติทําให้เกิดประโยชน์ ให้กับทุกคนที่เข้ามาพักผ่อนที่ได้มาประพฤติปฏิบัตินี่แหละมีโอกาสเราก็ได้ช่วยกันทําทุกอย่างที่จะเป็นบุญเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้เท่าที่กําลังจะยังมีอยู่ก็กําลังก็คงจะมีอยู่ไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่ถึงว่าละเวลาก็คงได้ไปพอทุกคนก็มีการพัดภากจากกันไม่พัดภากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภากจากกันตอนตายอันนี้เป็นกฎของตจลักกฎของธรรมชาติจริงๆ เราต้องเป็นคนที่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมทั้งภายในจิตใจของเราก็ไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความโศกเกิดความเศร้าเกิดความกังวลต่างๆเราก็ทําจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์สมบัติสมมุติภายนอกเราก็ทําอย่างประโยชน์ให้กับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันให้กับหมู่ให้กับกันะอำหนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะยังประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติทําจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นให้สูงสูงขึ้นกว่า นี่แหละถึงกระยากลำบากถึงขนาดไหนก็อดทนกดกรั้นไปอยากทำเพื่อให้ทุกคนได้มีความสงบมีความสุขเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เดินถึงจุดหมายปลายทางกันก็ต้องช่วยกัน